ท่านพ่อหลีสอนหลวงพ่อกับท่านพ่อหลีสนิทกันที่แรกไม่ค่อยสนิทน้องสาวท่านไปอยู่บ้านหนองลักช้างอำเภอสว่างดินแดนใกล้กๆกับบ้านโคกพุทธาท่านไปเยี่ยมน้องสาวท่านท่านรู้ว่ามีญาติอยู่ที่บ้านโคกพุทธาท่านก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าหลานคนหนึ่ง ก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่อำเภอวารินช מ ราบพอท่านรู้ท่านก็ไปตามหาหลวงพ่อไปเยี่ยมไปแล้วท่านก็บอกว่าพวกเราเป็นญาติพี่น้องกันเรามีศัก์เป็นปู่ของเธอหลังจากนั้นก็ค่อยสนิทกันขึ้นมาเรื่อยตอนที่ท่านสร้างวัดอโศการามไปกราบท่านทีไรท่านก็ต่อว่าไอาเราเป็นลูกเป็นหลานไม่เห็นมาอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขายังมาอยู่ ก็เลยเรียนท่านว่าผมไม่มาอยู่ด้วยผมก็มาศึกษาศึกษาแล้วผมไปปฏิบัติมีปัญหาอะไรผมก็มาเรียนปรึกษาครั้งหนึ่งดีกว่าจะมานั่งเฝ้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบุญบารมีมากล้นอธิเรกลาบมันก็ไหลามาเทมาประเดี๋ยวจะมาติดงักอยู่เนี่ยติดลาบติดยศอยู่นี่ไปไหนไม่รอดแล้วท่านก็เลยหัวรบ พบกันที่ไรท่านจะไม่พูดพร่ำทําทเพลงกับหลวงพ่อพอเจอหน้ากันปับ๊บกราบแล้วท่านก็พูดว่านั่งสมาธิท่านจะคุยอยู่กับใครก็ตามท่านจะชี้หน้าหลวงพ่อเอา้านั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักท่านก็บอกเป็นไงนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ได้สมาธิ ท่านไม่เคยอธิบายอะไรให้ฟังกว้างขวางพิสดารแต่ท่านจะย้ำว่าให้ปฏิบัติทมให้ต่อเนื่องอย่าไปทำทำหยุดหยุดแต่และครั้งที่เรานั่งสมาธิจิตสงบหรือไม่สงบอย่าไปท้อถอยถึงเวลาสงบมันจะสงบเองความสงบมันเป็นผลงานเราแต่งเอาไม่ได้